พระธรรมเทศนาแผ่นที่48ดลำดับที่เจโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่10พฤษภาคม2555หมีชื่อเรื่องว่าสแสวงหาอริยรัพย์วันคืนเดือนปี ล่วงไปล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่นะวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่นะพระพุทธเจ้าให้ถามตนเองที่เราทำไปมีสาระมีประโยชน์ไหมที่เราทำมันเกี่ยวกับที่เราจะหาทางพ้นทุก์ในวัฏสงสาร จะไม่มาเวียนไห้ตายเกิดอีกใช่ไหมแล้วพวกเราทาที่ทําไปนั้นะ่ะเหมือนกับเราว่ามีสาระมีประโยชน์แต่ตามแนวแถวพระอริยะหรือว่าตามแนวแถวพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านมองดูแล้วไรสาระแต่พวกเราว่ามีสาระ แต่ตามสายตาของพระอริยเจ้ า, าไรสาระทนะีนี้เราจะเชื่อเราหรือเราจะเชื่อแนวแถวพระอริยแนวพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เราก็ต้องศึกษาแล้วนะความหมายของเรานี่ที่เราว่ามีสาระเนะี่ยคืออะไรเราเกิดมาแล้วเราต้องสสแสวงหาสัพ์ ต้องหาความรู้เพื่อวิชาเพื่อจะได้โสแสวงหาทรัพสมบัติมาเลี้ยงตัวเองมาเลี้ยงครอบครัวมาเลี้ยงวงศาขน า, า, า, า, ศ า, ศ า, ศาิมาเลี้ยงวัวาศาสนรมาเลี้ยงสำลักงานมาเลี้ยงประเทศชาติบ้านเมืองค่มันเป็นขั้นตอนอันนี้ก็คือเราเกิดมาแล้วเราต้องหาวิชาความรู้มาเลี้ยง เหล่านี้แต่มาศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถ้าวนัถึงเจ้าจ ะ, สะแสวงหาสิ่งเหล่านั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ขนาดไหนกันล้วนแล้วแต่ไรสาระเพราะเหตุว่าอีกสักวันหนึ่งเจ้าก็ต้องเอาอะไรไปด้วยไม่ได้สักอย่างต้องทิ้งไว้ทั้งหมด ที่จะเป็นสาระจริงๆเจ้าต้องแ ส, สวงหาทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์อริยทรัพย์คือทรัพย์ของพระอริยอริยทรัพย์นั้นทําอย่างไรเจ้าต้องศึกษาเจ้าต้องเรียนรู้อีกแขนงหนึน่งอันนั้นพิชายทางโลกเจ้าต้องเรียนรู้อีกแขนงหนึน่งโล ก, กียทรัพย์แต่เจ้าจะรู้อริยทรัพย์ เจ้าทรงศึกษามาอีกธิขแขนงหนึ่งขแขนงนี้เป็นที่ยอมรับของพระอริยะแต่นั้นโลกิยะไม่เป็นที่ยอมรับของพระอริยะแต่เป็นที่ยอมรับของโลกิยะด้วยกันพวกกลุ่มโลกิยะแล้วยอมรับว่าคนคนนั้นบุคคลคนนั้นเป็นผู้เฉลียวฉลาดเป็นผู้มีความสามารถที่จะ ส, ะสะแสวงหาทรัพย์ได้อันนี้เปรียว่า พวกโลกิยะยอมรับกันแต่สำหรับโลกุตระแล้วยังไม่ยอมรับอันนั้นเพียงแต่ปัจจัยอาศัยโวครั้งชโวคราวอีกสักวันหนึ่งก็จะต้องทิ้งทั้งหมดออกไปด้วยไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายควรจะมาแ ส, สวงหาอริยะทรัพย์คือทรัพย์ภายในนี่แหละคำว่าทรัพย์ภายในคํานี้แหละ เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องโสแสวงหาจากพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายบวชเข้ามาแล้วนฉันจังหันเสร็จแล้วเราก็าไปนั่งหรือไปเดินจงกรมหามุมสงบแล้วก็ปียกตัวออกไปหามุมสงบที่กุฏิที่พักกลางวันที่หลีกเล้นจากท่านก็ภาวนา เดินยยกรมอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ผู้ที่รับภาระมีธุระตื่อะช่วยเหลือช่วงนั้นก็ยืดยุน่นยืดหยุน่นแต่ถึงยังไงถึงจะทำก็เป็นการยืดหยุน่นเป็นการสร้างที่พักผาอาศัยให้แก่หมู่คณะแก่พุทธบริษัทสมาในทิศย์ทั้งสี่อันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอีกส่วนหนึ่งเหมือนกัน แต่ถ้าว่าทางให้ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องจริงๆที่จะเอาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารกันเนี่ยอย่างที่ว่าน่ยการสดสวงหาอริยทรัพย์เน่ยเราก็ไปนั่งภาวนาบําเพ็ญเอาแบบอุกฤษไม่ใช่ว่าพอหมู่จะให้ทํางานตัวเองก็หลบไปทําท่าไปภาวนาแต่พอเอาจริงๆตัวเองก็ไปนอนหุ่ยไม่เอาทาน แสดงว่าใช้ไม่ได้แต่ถ้าว่าองค์ไหนก็ตามถ้าว่าจะไปภาวนาหมู่ก็ยินดีที่จะให้ไปภาวนาไปเดินยกรมไปภาวนาไปเห็นเวลาไหนเดินโยกรมภาวนาทางเป็นมันหรือว่าสู้จริงๆไอ้ผู้ที่ทำธุรการงานที่จะทำช่วยวัดวาศาสนาพวกเราก็ยินดีที่จะให้เปิดทางให้ ว่าเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจจริงแต่ถ้าว่าตัวเองก็ไปรอๆแหละรอๆแหล ะ, แ ล, ะ, แ, ละแล้วก็มาอาศัยหมู่อันนั้นใช้ไม่ได้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดที่พวกเราจะต้องได้คิดหลวงพ่อไม่ใช่ว่าจะไปหน้าเดียวไม่ใช่ไปสองหน้าคือหน้าเหตุผลสรุปแล้วคือหน้าไหนก็ตามต้องเป็นหน้าเหตุผล ต้องมีเหตุต้องมีผลแต่ถ้าตั้งใจภาวนาจริงอา้าวกิ่งแต่ถ้าไม่จริงอันไหนที่จะมาช่วยหมู่คณะต้องมาช่วยหมู่คณะเพราะเรามาอยู่พึ่งพาอาศัยเสยนาสนะที่พักพาอาศัยได้รับความสะดวกสบายก็เพราะว่าจัทตาญาติโยมพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันใช้ความคิดใช้สติใช้ปัญญาใช้ความอุตสาหะวิริยะ ก่อสร้างช่วยช่วยกันดูช่วยชกันจัดการพวกเราจึงได้รับความสะดวกสบายขึ้นมาได้แต่ถ้าว่าไม่มีใครคิดจะเลยให้เราไปอยู่ป่าดูสิจะไปตำหนิในการก่อสร้างถ้าตัวเองไปอยู่จะตำหนิในการก่อสร้างแต่ตัวเองก็เป็นนอนกุฏิของหมู่พเพื่อนสร้างให้แล้วก็ไปตำหนิหมู่พเพื่อนในการทำงานตัวเองก็เป็นนอน ไปภากที่กุฏิของหมู่ทางจงกรมของหมู่ทําใหนะ้แล้วก็ไป น, นอนแล้วก็ไปติเขามันถูกไหมมันเป็นธรรมไหมไนะอันนี้ก็เป็นแนวความคิดเรือให้มองตนเองแต่ถ้าว่าเอยข้าน่ยไม่ยินดีหรอกเออในการก่อสร้างทั้งหลายทั้งปวงข้าน่ยไปอยู่ต้นไม้โคนต้นไม้หรือทํากระต๊อบเล็กๆข่าทําเองเออเอาอยาคามา เอาไม้มาปูไม้ไผ่มาข้าจะอยู่แบบนี้แหละขก็จะอยู่แบบสันโดดเพราะว่าข้าไปนอนกุฏิเขาแล้วไปตีเขาเนี่ยมันไม่ได้นะมันไม่เป็นธรรมนะถ้าเราไปนอนกุฏิเขาแล้วไปตำหนิเขาก่อยสร้างมันไม่ได้ไม่ถูกกันข้าจะต้องอยู่ตามแบบที่ล่าข้าคิดเนี่ยถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นใครๆเขาก็ไม่ว่า แต่ถ้าว่าตัวเองไปตำหนิคนอื่นเขาแต่เวลานอนเวลาพักเลือกวุติหลังดีๆที่พักเหมาะสมอ่ะอย่างเนี้ยและก็ตำหนิคนอื่นเขาอะอันนั้นแปลว่าใช่ไม่ได้อความคิดอย่างนั้นหรือาการกระทาอย่างนั้นใช่ไม่ได้อไม่เป็นธรรมเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็เคยได้ยินสมัยอยู่กับครูบาอาจารย์กระทําห น, นิ้นทำนนี้ อยู่ใ้วัดวาศาสนาแต่ทํำยังไงได้เพราะว่าท่านเป็นวัดขึ้นมาแล้วก็ต้องหมู่พวกเพื่อนก็พึ่งพาอาศัยเข้ามาจําเป็นจะต้องสร้างกุฏิที่พักพาอาศัยให้แก่หมู่แก่คณะจะต้องพึ่งมาพักมาปฏิบัติธรรมแต่พอตัวเองออกจากวัดครูบาอาจารย์ถึงเออยิ่งกว่าครูบาอาจารย์ซะอีกอันไหนมีแต่โลคอยากจะทำอยากจะทํำนี่เพ้อเพอยังมาขอ จากวัดวารศาสนาครูบาอาจารย์อีกบางครั้งจงดุดาว่ากล่าวกันอีกมันไม่รู้จักประมาณในการกระทำน้นๆแต่ท่านครูบาอาจารย์ท่านทำเนะ่ท่านไม่ได้ไปขอครูบาอาจารย์ของท่านนะท่านทำตามมีตามเกิดมีอะไรขึ้นมาก็ทำแต่ตัวเองออกไปแล้วการกระทำออกไปนั่นแหละถึงโดดหน้าโดดหลังแต่สลหรับอยู่กับครูบาอาจารย์ทาท่า เป็นผู้เคร่งอย่างนั้นก็มีเยอะแยะนะที่หลวงพ่อเห็นนะไม่ใช่เห็นอยู่ที่นี่หรอกเห็นอยู่สมัยอยู่กับครูบาอาจารย์ผ่านมาแล้วนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นแนวความคิดสำหรับให้พวกพระทั้งหลายนะถ้าหลวงพ่อไม่พูดนะก็ไม่มีใครที่จะพูดอีกเหมือนกันพูดในลักษณะอย่างนี้นะแต่หลวงพ่อพูดนพงพูดใหเ้เป็นเงื่อนหรือเป็นแนวความคิดสาหรับพระทุกอง ที่เข้ามาอยู่ในศาสนาตบผมมาอยู่กับครูบาอาจารย์ทำท่าตินุตินี้ติมูติเพื่อนแต่พอตัวเองออกไปอยู่ตามลําพังน่ะสวดปวดหน้าสวดลวดหลังติดต่อคนนั้นติดต่อคนนี้หาเงินมาอโทรไปหาคนนั้นโทรไปหาคนนีน้ทั้งวี่ทั้งวันเพื่อจะสร้างวัตถุอย่างนั้นเป็นยังไงได้มองตนเองไหมลักษณะอย่างนั้นเราได้มองตนเองไหมพระองค์นั้นได้มองตนเองไหม สิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิดนะแต่ถึงยังไงอย่าลืมตัวไปที่ไหนอย่าลืมตัวอย่าไปคิดแต่สร้างวัตถุให้สร้างธรรมขึ้นในใจอย่างผมถึงจะสร้างขึ้นมาหลวงพ่อถึงจะสร้างขึ้นมาก็ตามนะหลวงพ่อสร้างตามความจำเป็นถ้าว่าตรงไหนจาเป็นแล้วก็ทจาจุดนั้นเมื่อกำลังต่อลังแตนอย่างที่ว่านะแต่ถ้าว่าจะสร้างตาม ความคิดหรือว่ามันมีมาเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยคงจะสร้างเป็นตึกเป็นห้องแถวเป็นอะไรที่พักหรูหราโอ้อากว่านี้แต่หลวงพ่อไม่ได้คิดเพราะหลวงพ่อคิดถึงครูบาอาจารย์ที่วัดวาศาสนาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสร้างไว้แล้วเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นทายาทที่จะรักษาวัดวาศาสนานั้นรักษาไม่อยู่ เพราะเหตุไรเพราะบา ร, รมีเอที่เป็นผู้จะสืบทอดนั่นะรักษาไว้ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าพระเนนที่จะเข้ามาอาศัยมันไม่เหมือนคราาานูบาอาจารย์พอเข้ามาจะก่อนครูบาอาจารย์พระสี่สิบห้าสิบหกสิบหรือพะระเดือบเป็นร้อยเแต่พอครูบาอาจารย์ผ่านไปแล้วเถอะพระเข้ามายี่สบามสิบ หรือสกว่าองค์บางทีห้าหกองอีกต่างหากแล้วกุฏิวิหารเหล่านั้นเป็นยังไงเสียหายหมดเป็นอาหารปลวกอาหารหมดนี่แหละสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองไม่ใช่ไม่คิดนะคิดวางแผนคิดจะสร้างกุฏิหลังไหนก็ตามกตคิดว่าไม่สร้างใหญ่แต่สร้างทางเล็กๆแต่พร้อมกันกัเป็นที่กันปลวกกันมดไปด้วยเพื่อไม่ให้เป็นภาระแต่ถ้าว่าไม่ทํำจะเลยก็ไม่ได้ พอพวกเราได้ถวายจิตุปั จ, จัยมาแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรมีแต่ความทุกข์ยากลําบากมาอยู่กับปัดหลวงพ่อเนะี่ยไม่มีเสนาจนะที่พักพ้าใสส่วนจิตุปัจจัยเขาก็ถวายมาอยู่เขามาถวายมาเพื่ออะไรเขาไม่ได้ถวายมาเพื่อสร้าง้างนอกอย่างอื่นไม่ใช่ให้โรงพยาบาลอย่างเดียวไม่ใช่ให้ทางนอกโรงร่าโรงเรียนสงเคราะห์คนอย่างอื่นพุทธศาสนา ก็ควรจะมีนี่แหละหลวงพ่อเองก็แบ่งหน้าแบ่งหลังแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งให้เป็นธรรมสรุปแนละ้วก็คือตั้งวัดวาศาสนาด้วยทั้งเนะสนาสนะด้วยอย่าให้พระสงฆ์ลำบากจนเกินไปในการเดินถนนห น, นทางร่วมเปลืองน้ำเรื่องปัจจัยสอย่าให้เกินไปแต่อย่าให้ฟุ่มเฟือยจนเกินไปก็ต้องคิดอีกเหมือนกันนะถ้าฟุ่มเฟือยจนเกินไป ก็เป็นที่ตําหนิโอ้โหแล้วัดทําไมฟุ่งเฟือยถึงขนาดนี้ไอ้อันนี้เขาก็ตําหนิได้เมื่อเขาตํำหนิมันก็ไม่เป็นพ้นดีต่อพระพุทธศาสนาอีกเหมือนกันเพราะบอกพระพุทธศาสนาภิกษุเป็นผู้ขอเป็นผู้ขอดํารงชีพยอยู่ในการขอขอแบบใช้แบบพุ่งเฟือยเหลือเฟือนี่เราลงตาหมาบัวทั้งกระดุกรดูให้พระอีกเหมือนกันแต่พวกเราได้ศึกษาแล้วพวกเราจะรู้จะได้ฟัง ในการดูพระขององค์หลวงตาเพราะนั้นพวกเราในฐานะลูกหลานเหลนขององค์หลวงตาพวกเราก็ควรจะมองนะมองแนวปฏิปทาของหลวงตาถึงจะมีมากก็ให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยถึงจะมีน้อยก็ไม่ดวงพ่อพูดจนน้ำไหลไฟดับไฟดับเปิงเลยับพรในทันใดนะ